3. ทุตุลละวาจาศิกขาบทเพราะการพูดเกี่ยวมาตุคามด้วยวาจาชัว่วหยาบเป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. พูดชมบ้างพูดติบ้างพาดพิงถึงทวานหนักทวานเบาต้องอาบัตสังฆาทิเศษสพูดชมบ้างพูดติบ้าง พาดพิงถึงบริเวณใต้รากขวัญลงมาเหนือเข่าขึ้นไปเว้นทวานหนักทวานเบาต้องอาบัตทุลใจ 3. พูดชมบ้างพูดติบ้างพาดพิงถึงของเนื่องด้วยกายต้องอาบัตทุกกฎ